พุทธอนุชาประสบปีติปลาโมดอย่างใหญ่หลวงความรู้สึกปรากดแก่ใจท่านว่าความเกิดสิ้นแล้วพระมจันทร์อยู่จบแล้วกิตที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําในทํานองเดียวกันนี้ไม่มีอีกแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปพบทั้งสามคือการมาพบรูปประพบและอารมประพบได้ปรากดแก่ท่านผูมิรุษแล้วซึ่งอริยภูมิ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 สดใสมืนหยาดน้ําค้างเมารุ่งอรุณอบอุ่นประดุดแสงแดดเมื่อยามเชา้าอะไรเล่าจะน่าปรารถนาของชีวิตยิ่งไปกว่านี้นี่เองที่พระศาสด า, าตรัสอยู่เสมอว่าพระนิพพานซึ่งสงบเย็นอย่างยิ่งการสํำรองตันหาโดยไม่เหลือเชือ่อการสละและการบอกคืนตันหาการพ้นไปอย่างปราศจากอะไรในตันหา เป็นความสุขชื่นบานเกินเปรียบแท้บุคคลผู้ได้บรรลุแล้วซึ่งทำอันสุดประเสริฐคือพระนิพพานี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 ยากที่บุคคลทั่วไปจะทนได้เป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่ออารมณ์อันมายุยวนเป็นผู้กำจัดราคะโภสะและโมหะได้อย่างเด็ดขาดมีกิเลสอันยอมใจดุดน้าฝาดอันตนสำหรอกออกเสียได้แล้วเป็นผู้ควรรับของขวัญควรได้รับการต้อนรับควรแก่ของทิทยกผู้มีศรัทธาจะทำบุญควรเคารพกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า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 ในที่สุดวันมหาสังคญยาก็ามาถึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาภิกษุลว้วนแต่เป็นพระอรหรันตประกอบด้วยอภิญญาและสมาบัติห0 0รอรูปประชุมเป็นมหาสนิบาตณ้าถ้มสัตบัเชิงภูเขาวเวภาระทงแผ่นผ้าสีกาสายะคือเหลืองมนสะบัดโบกพลิ้วตามแรงลมดูงามรูปเรืองริงนัก เสียงเพรียสลับเสียงะระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าสง์ทั้งมวลพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มมหาสังคายนาพระมหากษัตริยประธานสง์ได้ตั้งปัญหาถามพระอ น, นุ์พุทธอนุชาในนามของสงว่าอานน o ์เมื่อสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นเธอเคยเย็บหรือปะหรือชุนผ้าสําหรับพระพุทธองค์ทรงใช้สง์ไม่ใช่หรือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าเคยกระทำอย่างนั้นพระอนุนรับในขณะที่แย็บหรือปะหรือชุนเธอใช้เท้าหนีผ้าของพระตถาคตใช่ไหมพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทำอย่างนั้นดูกระเอาโสอานนท์พระมหากะสปากล่าวในนามของสงสงเห็นว่าเธอกระทำไม่ควรเธอไม่ควรใช้เท้าหนีผ้าของพระตถาคตข้อนี้เป็นอบัตทุกอดแก่เธอเธอจงแสดงอวบเสีย อนนท์พุทธอนุชาลุกขึ้นนั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวว่าข้าแต่สงผู้เจริญข้าพเจ้าทําอย่างนั้นด้วยความจําเป็นการใช้เท้าหนีผ้าแห่งพระธถาคตและเย็บนั้นจะเป็นเพราะความไม่เคารพก็หามิได้แต่เมื่อไม่ทําอย่างนั้นจะเย็บได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าทําเพียงผู้เดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายข้าพเจ้ายามเกรงในสงเมื่อสงเห็นว่าข้าพเจ้าผิด พระเจ้าก็ขอแสดงอาบัติทุกกฎในพระเรื่องนี้อานนต์ยังมีอยู่อีกหลายข้อข้อหนึ่งคือเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงนิมิตโอภาสตคือว่าให้ในายากแก่เธอถึง16ครั้งเพื่อให้ทูลให้พระองค์ทรงพระชนอยู่ต่อไปแต่เธอไม่ได้ทูลไว้ทรงเห็นว่าเธอกระทำไม่สมควรเป็นความผิดพลาดของเธอเธอต้องแสดงอาบัติในเรื่องนี้ ท่านผู้เจริญทั้งหลายเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลอาราธนาพระาศาสดาให้ทรงประชวรต่อไปนั้นเป็นเพราะเวลานั้นข้าพเจ้ากําลังระทมทุกข์และกังวลเรื่องอภาระของพระาศาสดาไม่ได้เฉลียวใจในเรื่องนั้นเมื่อทรงเห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าขอแสดงอาบัตทุกกฎในเรื่องนี้อานนท์ยังมีอีกคือเธอเป็นผู้ที่กวนขวายให้สตรีมาบวชในาศาสนา เธอพยายามอ้อนวอนกุมขี่พระศาสดา ท, ทั้งทั้งที่พระองค์ทรงห้ามต่างหลายครั้งว่าอย่าพอใจขวนขวายให้ภิกษุณีมาบวชในธรรมวินัยนี้เลยเธอก็ไม่ฟังพยายามขวนขวายให้ภิกษุณีมาบวชจนได้ก่อความยุ่งยากในภายหลังไมิใช่น้อยข้อนี้เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะข้าพเจ้าทนดูสภาพของพระมหาปชาบดีโคตมี พระนานางแห่งพระทศพลเจ้ามีได้พระนางได้ปรงพระเกศามาแล้วมีร่างกายขมุกขมอมบอบช้าทรงพิราบรำพันอย่างเหลือลน้นปรารถนาจะบวช ด, ด้วยศรัทธาแรงกล้าและเห็นว่าพระนางทรงมีอุปการะต่อพระาศาสดามากล้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายให้พระนางได้บวชและเมื่อพระนางได้เป็นภิกษุณีแล้วพระนางก็สามารถขจัดกิเลสบรรลุอรหัตได้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 คือในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนั้นเธอได้จัดแท้สตรีเข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนสตรีเหล่านั้นร้องไห้น้ำตาเปื้อนพระพุทธสรีระข้อนี้ก็เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายการที่ก ะ, ะเจ้าจัดแท้สตรีเข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนนั้นเป็นเพราะคิดว่าธรรมดาสตรีไม่ควรอยู่นอกบ้านจนเมือ่อค่า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 ถ้ากฎที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงและกฎทุกกฎมีข้อยกเว้นเรื่องพระอนุลควรเป็นข้อยกเว้นในกฎนี้ที่ว่าดูดูเหมือนว่าท่านจะถูกรังแกนั้นความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเรื่องที่สงลงโทษพระอนุลและพระมาหากัสสปะให้พระอนุลยอมรับผิดนั้นอย่างน้อยก็มีผลดีถึงสองประการคือ 1. เป็นกุสโลบายของพระมาหากัสสปะพระเทราผู้เท่า ที่ต้องการจะวางระเบียบวิธีการปกครองคณะสงฆ์ให้ที่ประชุมเห็นว่าอำนาจของสงนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดคําพิพากษาวินิจฉัยของคณะสงฆ์นั้นเป็นคําเด็ดขาดแม้จะเห็นว่าตนไม่ผิดแต่เมื่อสงเห็นว่าผิดผู้นั้นก็ต้องยอมเป็นตัวอย่างที่พิสูุสงส์ทุนหลังจะพึงเดินตาม 2. เรื่องนี้ได้ส่งเสริมเกติคุณของพระพุทธอนุชาให้ก้องยิ่งขึ้น เป็นตัวอย่างในทางที่เป็นผู้ว่าง่ายเคารพยำเกรงผู้ใหญ่เป็นปฏิปทาที่ใครๆพากันอ้างถึงด้วยความนิยมชมชอบในพระอานนท์รวมความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระอานนท์ในคราวปฐมสังคายนานั้นทำให้เกียรติประวัติของท่านจับใจยิ่งขึ้นน่ารักครบยิ่งขึ้นเสร็จแล้วการทำสังคานาก็เริ่มขึ้นโดยพระมหากรสปะเป็นผู้ซักถาม พระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องจากพระาศาสดาว่าเป็นผู้เลิศทางพระวินัยใ้วิสัชนาพระวินัยพระอ น, น์พุทธะอนุชาวิสัชนาพระธรรมโดยตลอดสังขยาครั้งนี้ทำอยู่สามเดือนจึงเสร็จเรียบร้อยด้วยประการราชนีเป็นเวลานานถึง40ปีหลังพุทธะปรินิ พ, พานที่พระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐ ได้จาริกสู่คามานิคมชนบทละราชธานีต่างๆเกือบทั่วชมพูทวีปเพื่อโปรดเวนายนิญญกรชนแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ดวงประทีปดวงใหญ่แห่งชมพูทวีปจะดับไปแล้วแต่ดวงประทีปดวงน้อยคือพระพุทธอนุชาก็ยังมีอยู่และส่องแสงเรืองรองเพื่อพาระตะวัดต่อไปบัดนี้ ภารกิจอันเนื่องโดยพระศ า, าสดาและหน้าที่ในการทาลายกิเลสของท่านได้เสร็จสิ้นลงแล้วเหลือแต่เพียงอย่างเดียวคือการอบรมสั่งสอนมหาชนให้หลีกจากการทุจริตเดินเข้าสู่คลองแห่งสุจริตธรรมการปรากฏกายแห่งพระ อ, อ น, นุนไม่ว่าในที่ใดในสมาคมใดประดุจการปรากฏขึ้นแห่งดวงจันทร์ในปุรณะมีดิถีนำความชื่นบานเอิบอาบซาบซ่าน และสดใสมาสู่จิตใจของมหาชนในที่นั้นและสมาคมนั้นเมื่อมหาสันนิบาตในการสังคายนาเสร็จสิ้นลงแล้วพระพุทธอนุชาได้ละทิ้งเบญจกิรีนครไว้เบื้องหลังมุ่งสู่นครโกสัมพีเพื่อลงพรมทันแก่พระชนะพระหัวดือ้อซึ่งพระศาสดารับสั่งไว้เมื่อจวนจะปริณิ พ, พานพระอานนุ์ได้ประกาศให้สงในนครโกสัมพีทราบว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระชนะต้องการจะทำอย่างใดจะพูดอย่างไรและประพฤติยอย่างไรก็ให้ทำได้ตามอัธยาศัยภิกษุสามเณรไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนพระชนะได้ถ้อยคำใดๆเลยนี่เรียกว่าปรมทันคือการลงโทษที่หนักที่สุดแบบพระอริยะท่านทั้งหลายพระอนนุ์ได้กล่าวในมหาสมาคมซึ่งมีภิกษุประชุมอยู่เป็นจำนวนพัน พระบรมศาสดาเคยตักเตือนพระฉันนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนว่าขอให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอย่าดื้อด้านและดื้อดึงแต่พระฉันนก็หาฝั่งไม่ยังคงประพฤติตนตามใจชอบอยู่อย่างเดิมเมื่อจวนจากปรินิพานทรงเป็นห่วงเรื่องพระฉันนะจึงมีพระพุทธบัญชากับข้าพเจ้าไว้ว่าให้ลงโทษแก่พระฉันนโดยวิธีพรหมทันท่านทั้งหลาย การลงโทษแบบนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่พระอริยเจ้าจะพึงกระทำประดุษนายสารถีผู้ฝึกมาจำใจต้องฆ่าม้าของตนที่เหลือฝึกเพื่อไม่ให้ซืบอพันธุ์ที่ไม่ดีต่อไป สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับคนฝึกม้าผู้เชี่ยวชาญ น, นามว่าเกสิพระองค์ตรัสถามว่าดูก่อนเกสิท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการฝึกมา้าตถาคตอยากทราบว่าท่านมีวิธีฝึกม้าอย่างไรในเกสิทูลตอบว่าฝึกโดยวิธีละมุน ล, ละมอมบ้างโดยวิธีรุนแรงบ้างโดยวิธีทั้งละบุ ล, ละไมและทั้งรุนแรงบ้างเกสิ ทาม้าของท่านไม่รับการฝึกคือฝึกไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรพระองค์ผู้เจริญทาม้าตัวใดฝึกไม่ได้ข้าพระองค์ก็ฆ่ามาตัวนั้นเสียท้งนี้เพื่อไม่ให้เสียชื่อผู้ฝึกและไม่ให้ม้าตัวนั้นมีพืชพันธุ์ที่ไม่ดีต่อไปพระองค์ผู้เจริญพระองค์มีชื่อเสียงปรากฏว่าเป็นยอดนักฝึกคนที่พอจะฝึกได้ก็พระองค์มีวิธีฝึกคนอย่างไรเล่าตูก่อนเกษี เราก็ฝึกบุคคลที่ควรฝึกอย่างนั้นเหมือนกันคือฝึกโดยวิธีละมุน ล, ละไม่บ้างโดยวิธีรุนแรงบ้างทั้งโดยวิธีรุนแรงและละมุน ล, ละไมบ้างถ้าฝึกไม่ได้เราพระเจ้าข่าพระองค์จะทรงกระทําประการใดถ้ามาฝึกไม่ได้เราก็ฆ่ามาตัวนั้นเหมือนกันพระองค์ไม่ทรงทําปานาติบาตวิใช่หรือเหตุฉนัยจึงตล่าว่าทรงฆ่าดูก่อนเกสี การฆ่าของเราเป็นการฆ่าแบบอริยะประหารคือไม่ยอมว่ากล่าวสั่งสอนเลยทำเป็นประดุดว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีในโลกการลงโทษอย่างนี้รุนแรงที่สุดผู้ถูกลงโทษได้รับผลที่น่ากลัวที่สุดนายเกสีคนฝึกมาคูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งดียิ่งนักพระอนุลกล่าวต่อไปท่านทั้งหลายแลแล้ว เมื่อมีโอกาสประทับอยู่ท่ามกลางพิสุสงฆ์พระองค์ได้นำเรื่องการฝึกมามาเป็นบทประกอบในพระธรรมาเทศนาโอวาทภิสุทั้งหลายมีใจความดังนี้พิสุทั้งหลายมาบางตัวเพียงเห็นเงาประตักที่นายสารถียกขึ้นเท่านั้นก็ทราบได้ว่านายต้องการให้ตนทำอย่างไรแล้วสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวว่า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 แล้วปฏิบัติได้ยังถูกต้องตามที่นายต้องการชั้นใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวเจ็บและข่าวตายของผู้อื่นเท่านั้นก็ยังไม่เกิดสังเวชสลดจิตแต่เมื่อได้เห็นตัวตนเองซึ่งคนแก่คนเจ็บและคนตายก็เกิดสังเวชสลดจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรุคุณธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายม้าบางตัวเพียงแต่เห็นเงาปะตักและถูกแทงจนขนร่วงก็ยังไม่รู้สึก เมื่อถูกแทงจนทะลุหนังเข้าไปจึงรู้สึกและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนายฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงเห็นคนแก่คนเจ็บหรือคนตายและได้ยินได้ฟังข่าวฉะนั้นไม่ก่อให้เกิดความสังเวชสลดจิตได้ต่อเมื่อยาดสายโลหิตพิษสหายอันเป็นที่รักที่พึงใจเจ็บปื้อตายลงจึงเกิดสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรุคุณธรรมเบื้องสูง เพกซ์สูตทั้งหลายม้าบางตัวเพียงได้เห็นเงาปัสตักถูกแทงจนขนร่วงถูกแทงทะลุผิวหนังเข้าไปก็หาเข้าใจถึงสิ่งที่นายต้องการไหมต่อเมื่อผูกแทงจนจดกระดูกจึงรู้สึกและเข้าใจในสิ่งที่นายต้องการให้ทําฉันใดบุคคลบางคนก็ฉะ น, นั้นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นญาติพี่น้องเจ็บและตายก็ไม่เกิดความสังเวชสลด จ, จิตได้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 มีความอดทนและมีลักษณะสงบเรียบร้อย ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการกเหมือนกันคือมีความซื่อตรงไม่หลอกลวงไม่คดในข้องอในกระดูกมีชาวดีในการรู้อริยสัจมีความอดทนอย่างยิ่งและมีการสมรวมตนสงบสงเียมเรียบร้อยไม่ประพฤตินตนเออะโวยวายเยี่ยงนักเลงสุราบาทก็สมควรเป็นทักทินายบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกภิกษุทั้งหลาย เราเคยกล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าถ้าจะดูความเป็นบ้านในหมู่สงก็จงดูตรงที่เธอร้องรำทําเพลงถ้าจะดูความเป็นเด็กในหมู่สง์ก็จงดูตรงที่เธอยิงฟันหัวรอกในลักษณะปล่อยตนเหมือนเด็กชาวบ้านดูก่อนท่านทั้งหลายพระพุทธองค์เคยตรัสกับข้าพเจ้าไว้ว่าอานอนุ์เราจะไม่ทํากับพวกเธออย่างทะนุถนอมอย่างที่ช่างหมอ ทำกับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อโนอนเราจะขนาแล้วขนาเล่าไม่หยุดหย่อนเราจากชี้ให้เห็นโทษของกิเลสบาปรธรรมแล้วแล้วเล่าเ่าไม่หยุดหยอ่อนอโนนเอยผู้ใดมุ่งหวังมรรคผลเป็นสำคัญในการประพฤติพรหมจรรย์ผู้ใดเป็นสาระมีประโยชน์ผู้นั้นจึงจะอยู่ได้ท่านทั้งหลายด้วยประกาศนิแลข้าพเจ้าจึงขอประกาศลงพรหมทันแก่พระชนนะา เพื่อเธอจะได้สำนึกตนและปฏิบัติตนในทางที่ชอบต่อไปพระอนุนกล่าวจบสงฆ์ทั้งสิ้นเงียบเป็นการยอมรับประกาศนั้นด้วยอาการดุสนีพระชนะได้ทราบว่าบัดนี้พระสงฆ์ได้ประกาศลงพรมธันแก่ตนเกิดสังเวชสลดจิตกลับประพฤตินตนดีมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังพระเถระทั้งหลายในไม่ช้าก็สาเร็จอรหัตผล สัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสักพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐได้เดินทางเลียบลําน้ํายมุนาขึ้นไปตอนบนสู่แคว้นกุรุซึ่งมีนครอินทปัตเป็นเมืองหลวงและจาริกไปในแคว้นต่างๆอีกหลายแคว้นจนกระทั่งหวนกลับมาสู่รูปแม่น้ํำคงคาวนเวียนอยู่ณรูปแม่น้ําคงคาตอนบนแห่งแคว้นปัญจาละซึ่งมีนครหัสตินปุระหรือหัสดินบุรีเป็นราชธานี อันว่าแคว้นปัญจาระนี้มีแคว้นโกศลอยู่ทางทิศตะวันออกมีแคว้นกุรุอยู่ทางทิศตะวันตกมีหิมาลัยบรรพตอยู่ทางทิศเหนือและแม่น้ําคงคาอยู่ทางทิศใ ต, ต้เป็นแคว้นที่มั่งคั่งพลังพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากหลายมีทุ่งสาลีเกษตรเหลืองอารามมองดูสุดสายตาประดุดปูด้วยหนังโคสีแดงมีดงมะพร้าวเรียงรายยาวเหยียดบางแห่ง พื้นที่ประดับด้วยต้นชงโคดอกสีแสดเข้มบานสะพรั่งเรืองอุไรยเย็นตาทัศนาการไปทางทิศเหนือจะเห็นเทืวเขาหิมาลัยสูงตรงานเสียด ฟ, ฟ้าบางยอดถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดเวลาหิมาลัยบันพศแดนเกิดแห่งนิยายและเป็นที่รื่นรมย์อย่างยิ่งของผู้สละโลกีมุ่งสแสวงหาสันติวรบท มองไปทางทิศด้านใต้จะเห็นแม่น้ำคงคาไหลเอื่อยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวชมพูทวีปเป็นจุดรวมใจของชาวพาระตะแทบจะทุกคนมอบความไว้วางใจไว้ให้เพราะแม่คงคาเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนทั้งด้านชําระมูลทินภายในและในด้านเกษตรกรรมนาริมฝั่งแม่น้ำคงคาตอนเหนือมีชมโคขึ้นระดะับแม้ไม่สูดจะเป็นระเบียบนัก แต่ว่าดอกอันงามเย็นตาของมันก็ให้เกิดความเย็นใจเมื่อได้เห็นเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบไม่ใช่ทางสัญจรจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมณะผู้สแสวงหาความวิเวก นนั้นพระพุทธอนุชาจาริกเพียงผู้เดียวด้วยจุดประสงค์คือสแสวงหาที่วิเวกเพื่อพักผ่อนเมื่อผ่านมาเห็นชงโคมีดอกงามบานสะพรั่งและดูบริเวณเป็นที่เรื่นรมจึงแวะเข้าพักผ่อนใต้ต้นชงโคซึ่งมีใบหนาเงาครึมต้นนั้นตรงเบื้องหน้าของท่านมีสาซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติมีปทุมชูดอกสลอน น้ำใสยเย็นและจืดสนิท ด, ดีท่านได้ดื่มและล้างหน้าเพื่อระ ง, งับความกระหายแล้วนั่งพักอยู่นักที่นั้นจนตะวันรอนแดดอ่อนลงส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นรูปต่างๆหน้าทัศนายิ่งนักเสียงนกเล็กๆบนกิ่งชงโคร้รองทักทายกันอย่างเพลิดเพลินแสดงถึงจิตใจที่เบิกบานมันมีความสุขตามภาสาสัตว์ ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ในที่ทุกแห่งและทุกฐานะเว้นแต่บุคคลจะไม่รู้จักมองหาเท่านั้นพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามารถจะหาความสุขได้แม้ในสถานที่ที่น่าจะทุกข์ตรงกันข้ามกับบุคคลเขาแม้จะอยู่ในฐานะที่น่าจะสุขก็มีแต่ความทุกข์ร้อนอยู่ร่ำไปเศร้าหมองเสียร่ำไป ถ้าเราฟื้นใจให้อดได้ทนได้อยู่เสมอๆเราจะมีความสุขสบายขึ้นอีกมากโลกนี้มีคนร้ายและเรื่องร้ายมากไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนและฐานะใดย่อมจะต้องพบคนร้ายและเรื่องร้ายทุกคนทุกแห่งถ้าสามารถกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้เป็นเรื่องประเสริฐแต่ถ้าไม่สามารถกลับเรื่องร้ายให้เป็นดีได้ใน ท, ทันทีก็ลองอดทนดูเป็นการศึกษาสถานการณ์ และศึกษาบุคคลพร้อมๆกันไปนานๆเข้าเรื่องที่เข้าใจว่าร้ายในเบื้องต้นอาจจะเป็นผลดีแกเรามากในบ้านปลาย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 ขยะมูลฝอยที่ใครๆทิ้งลงทิ้งลงแต่ว่าพื้นดินก็สามารถรับขยะมูลฝอยนั้นไว้ได้การเวลาล่วงไปล่วงไปขยะมูลฝอยนั้นกลายเป็นปุ๋ยที่ดินตรงนั้นกลายเป็นที่ดินที่มีราคาแพงเป็นดินดีปลูกพืชผักอะไรลงไปก็ขึ้นเร็วและสวยงามคนที่ฝึกตนให้อดทนได้มักจะเป็นคนดีมีค่าแก่สังคมอย่างมากสถานที่จำกัด ทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยแต่คนเพิ่มมากขึ้นนานวันไปมนุษย์ก็ยิ่งจะต้องแย่งกันอยู่แย่งกันกินมากขึ้นความบากบานอดทนก็จะต้องใช้มากขึ้นนอกจากนี้ในสังคมมนุษย์มีทั้งคนดีและคนเลวมีอธัธยาศัยประณีดและอธัธยาศัยสามยิ่งผู้น้อยต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ทีม่มีอธัธยาศัยสามเห็นแก่ตัวและโหดร้ายด้วยแล้วเขาจะต้องกระทุกกระเทือนใจ และอดทนสักเพียงใดร้องให้ผู้ใหญ่เลวๆอย่างนั้นไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนอื่นทุบางสีเขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เลวหรือไม่แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันหรือบางทีก็มีอยู่เสมอๆที่ทําให้เราต้องประหลาดใจว่าเหตุไหนคนเลวๆอย่างนี này, ้จึงเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องของกรรมที่สลับซับซ้อนสุดที่จะแยกแยะให้ถีถ้วนด้วยปัญญาสามัญได้ บัดนี้พระอาทิตย์รับคอฟ้าไปแล้วทิ้งไว้แต่ร่องรอยแห่งแสงสว่างเพียงรางๆเสมือนดารุณีวัยกำลัดยิ้มด้วยความเบิกบานใจเมื่อหยุดยิ้มแล้วรอยแห่งความร่าเริงก็ยังเหลืออยู่เล็กน้อยฉะนั้นพระพุทธอนุชาตั้งใจจะเอาโคนชงโคเป็นที่บานากกายในราตรีนี้แต่พอท่านเองนกายลงพิงชงโคนั่นเองได้เหลือเห็นชายหญิงคู่หนึ่ง ถือหม้อน้ำมาคนละใบมุ่งตรงมาสู่สักด์ว่าได้เห็นสมณะนั่งพิงชงโคอยู่เขาจึงเดินอ้อมสมากมาเห็นชัดว่าเป็นสมณะสากยาบุตรเขาจึงนั่งหลงไหวแล้วชายผู้นั้นก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่สมณะข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานไม่เคยได้เห็นสมณะผู้ใดมาเยือนสถานที่นี้เลยข้าพเจ้าทั้งสองแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าของถิ่นโดยแท้ แต่ก็เหมือนเป็นเจ้าของถิน่นข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านสมณะผู้เป็นอคันทุกะได้ความรู้สึกเป็นมิตรและถือเป็นโชคดีที่ได้พบท่านผู้สงบดูก่อนผู้มีใจอารีข้าพเจ้าขอขอบใจไมตรีของท่านทั้งสองและถือเป็นโชคดีเช่นเดียวกันที่ได้พบท่านซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบในปา่าเปลวเช่นนี้ชายหญิงทั้งสองแสดงอาการพอใจต่อคากล่าวที่ไพเราะ และแสดงความเป็นมิตรของพระพุทธอนุชาแล้วกล่าวว่าท่านผู้ประเสริฐเวลานี้ก็จวนคำแล้วท่านมีที่พำนักนาที่แห่งใดเป็นประจำหรือว่าท่านเป็นนักพศผู้จาริกไม่อยู่เป็นหลักแหลง่งข้าพเจ้าเป็นนักพศผู้จาริกไปตามอธัธยาศัยไม่ติดที่หรือว่ายึดที่ใดที่หนึ่งเป็นแหล่งของตนข้าพเจ้าพอใจกระ ท, ทําเช่นนี้ข้าแต่สมณะ ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญท่านพมนาคนากระท่อมของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีกระท่อมอยู่สองหลังหลังหนึ่งเพื่อข้าพเจ้าและพัญญาอยู่อาศัยอีกหลังหนึ่งเพื่อเก็บของเล็กๆน้อยๆถ้าท่านไม่รังเกียจและยินดีรับคำเชิญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเก็บของเล็กๆน้อยๆนั้นไว้มุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งพอเป็นที่พักของท่านได้อย่างสบายมีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้สะดวกมีลมพัดเย็น ถ้าท่านรับคําเชิญข้าพเจ้าจะยินดีมากข้าพเจ้าจะสนทนากับท่านผู้ประเสริฐให้เป็นที่เอิบอิ่มใจข้าแต่อาคันตุกะข้าพเจ้าเคยสดับมาว่าการได้เห็นการได้เข้าใกล้และการได้สนทนากับสมณะนั้นเป็นมงคลข้าพเจ้าต้องการมงคลเช่นนั้นเหมือนกันเขากล่าวจบหันมาดูพัญญาเหมือนเป็นเชิงปรึกษาสตรีผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่า ข้าแต่สมณะถ้าท่านยังไม่มีกิจกังวลเรื่องอื่นหรือไม่เป็นการรบกวนความวิเวกสงัดของท่านขอท่านได้โปรดรับอารัตนาของข้าพเจ้าทั้งสองได้เถิด พระพุทธะอนุชาดำริว่าสามีพัญญาทั้งสองนี้ดูท่าทีเป็นผู้มีตระกูลและได้รับการศึกษาสูงแต่ว่าเหตุชไหนจึงมาซ่อนตัวเองอยู่ในป่าเปลี่ยวดูวัยก็ยังหนุ่มยังสาวคงจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่น่าสนใจอยู่บ้างกระมังการสนทนากับผู้ชะ น, นีคงไม่ไร้ประโยชน์ไปแน่แท้คิดดังนี้แล้วท่านจึงกล่าวว่าดูก่อนผู้มีใยอารี ข้าพเจ้ายินดีรับคำเชิญของท่านสามีพัญญาทั้งสองแสดงอาการพอใจยอย่างยิง่งแล้วก็ชวนกันลงไปตักน้ำในสระโคลม่อแล้วเดินนำพระพุทธอนุชาไปสู่กระท่อมน้อยจัดของเล็กๆน้อยๆไว้มุมหนึ่งปัดวาดเช็ดถูเสนาสนะจนสะอาดเรียบร้อยแล้วเชื้อเชิญพระพุทธอนุชาให้นั่งนำน้ำมันมานวดเท้าส่วนพัญญาของเขากลับไปกระท่อมอีกหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยดูก่อนผู้มีใจอารีกระท่อมของท่านนี้แม่จะอยู่ในป่าแต่ก็ปลูกสร้างอย่างดีน่าอยู่อาศัยสะอาดเรียบร้อยสแสดงถึงอัธยาศัยประณีตแห่งเจ้าของข้าแต่อาการทุ ก, กะข้าพเจ้าขอขอบคุณในคํากล่าวของท่านอันหนึ่งชงโคนี้เป็นสวรรค์ของข้าพเจ้าเป็นที่ที่ข้าพเจ้าพอใจเป็นที่สุด ข้าพเจ้าอยู่อาศัยอย่างสงบสุขข้าพเจ้ากล่าวว่าสงบสุขเป็นความถูกต้องโดยแท้คือทั้งสงบและสุขรวมอยู่ในกระท่อมน้อยและในป่าชงโคนี้เขากล่าวแล้วก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจดูก่อนผู้มีัยอารีเหตุไฉนท่านจึงพอใจป่าชงโคนี้นักหนาดูท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มและก็ปัญญาของท่านก็ยังอยู่ในวัยสาว คนหนุ่มคนสาวน่าจะพอใจในแสงสีแห่งละครหลวงมากกว่าจะยินดีในที่สงัดเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ท่านถือกำเนิดหรือภูมิลําเนาเดิมอยู่ที่นี่หรือหามิได้ท่านสัภณะข้าพเจ้าเกิดแล้วในท่ามกลางละครหลวงทีเดียวคำกล่าวของท่านยิ่งทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจามากขึ้นเป็นของหน้าประหลาดเกินไปหรือท่านที่คนหนุ่มอย่างข้าพเจ้า พอใจในวิเวกดำเนินชีวิตอย่างสงบประหลาดมากทีเดียวเหตุใดหรือพระกุณเจ้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าโดยมากที่อยู่ในวัยนี้ย่อมจะพอใจในความสุขเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งคือแบบที่คนส่วนมากคขานิยมกันคลุกคลีอยู่ในหมูห่คณะและอารมณ์ที่ย้าวยวนต่างๆแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าท่านเป็นชายหนุ่มที่ประหลาด มีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเตือนจิตใจท่านอย่างแรงหรือเปล่าหรือว่าท่านมีอัธยาศัยที่น้อมไปในวิเวกตั้งแต่อย่างยาวข้าแต่อะคันตุกะ ข, ข้าพระเจ้าเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีหัวเลี้ยวแห่งชีวิตที่สําคัญที่สุดสักครั้งหนึ่งในชีวิตของแต่ละคนและหัวเลี้ยวนั่นเองจะเป็นสาเหตุให้เขาดําเนินชีวิตที่ยืดยาวไปจนกว่าว่าชีวิตจะจบลงข้าพระเจ้ามีหัวเลี้ยวชีวิตอยู่ตอนหนึ่ง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 ลมปลายปฐมยามพัดแผ่วเข้ามาทางหน้าต่างรําเพยเอากลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดตามมาด้วยหอมเย็นระรื่นความอบอ้าวของอากาศเมื่อทิวาการปราศนาการไปแล้วนั้นบรรยากาศในยามนี้เย็นสบายแสงโสมสาดซองเข้ามาทางหน้าต่างต้องผิวหน้าของชายหนุ่มดูสดใสแต่ว่าแฝงไว้ซึ่งแววแห่งความเศร้าอย่างลึกซึ้งเขาขยับกายเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้ทรงพลถ้าท่านยินดีจะรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ยินดีเล่าสู่ท่านฟังเรื่องของข้าพเจ้านั้นมีทั้งความสุขและความเศร้ามีทั้งความหวานชื่นและขื่นขมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเมื่อพระอานนท์แสดงอาการว่าพร้อมแล้วชายหนุ่มจึงเริ่มเล่าเรื่องดังต่อไปนี้ ข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะข้าพเจ้าเกิดแล้วภายใต้สวิตชัติแห่งหัสตินาปุระนครแคว้นปัญจาลนีวันเดียวกับที่ข้าพเจ้าลืมตาขึ้นดูโลกนั่นเองมีการชุมนุมพลทั้งสี่เหล่าทัพคือทัพช้างทัพมา้าทัพรถและทัพคนเดินเท้าเป็นการซ้อมใหญ่ประจำปีเป็นความภาคภูมิอย่างยิ่งของนายทหารที่แต่แสดงตนเฉพาะพระพักพระมหากษัตริย์ ด้วยการถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตพระราชบิดาและพระประยุรญาติชั้นผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าจึงขนานนามของข้าพเจ้าว่าจะตุรงขพลในวิชาทหารได้บอกไว้ว่าการเตรียมกำลังรบให้พร้อมเป็นการป้องกันสงครามฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นความจริงทั้งนี้ก็เพราะว่าฝ่ายรุกรานนั้นจะคอยจ้องดูกาลังของฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอเมื่อใดฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอ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 ก็พยายามกระตุ้นเราสาสนิกชนให้ฝึกพลังจิตให้สูงไว้เพื่อเป็นทำนบกั้นกระแสกิเลสมิให้รั่วไหลเข้าสู่จิตได้โดยง่ายหลักสุขลักษณะหรืออนามัยก็เป็นเรื่องเดียวกันนี้เองเมื่อเหลือกำลังป้องกันจึงถึงขั้นเยียวยาแก้ไขสงครามเป็นของคู่กับโลกตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอยากได้ได้เยอะทะยานในเกจจอมปลอมอยากเป็นใหญ่ในกองกระดูกและเลือดเนื้อ สแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นแก้ปัญหาโดยการใช้กำลังสงครามก็คงจะมีอยู่ร่ำไปแปลกจริงๆนะท่านคนที่เป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยปล้นสะดมส่วนบุคคลเขาถือกันว่าเป็นคนเลวคนร้ายซึ่งบางทีก็ต้องลักต้องขโมยเพราะไม่มีจะกินแต่ว่าคนที่ปล้นคนทั้งบ้านทั้งเมืองกลับได้รับเกียรติยศอันสูงส่งเป็นถึงวีระบุุษด้วยก็มี ผู้ตีโกงคนอื่นเพียงคนสองคนจะถูกพิพากษาตัดสินจำคุกหรือว่าลงโทษให้สมควรแก่ความผิดแต่ว่าผู้ตีโกงคนทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นกลับไม่มีใครแตะต้องข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรหรือว่าศาสดาของท่านได้เคยกล่าวว่าอย่างไรบ้างราชกุมารเรื่องสงครามเป็นเรื่องคู่กับโลกตามที่ท่านกล่าวมานั้นข้าพระเจ้าไม่คาดคาน แต่มันก็เป็นเวลาหลายปีจึงจะเกิดสงครามสักครั้งหนึ่งแต่สงครามที่เกิดขึ้นประจำและยืดเยื้อที่สุดก็คือสงครามชีวิตทุกคนเดินไปบนถนนแห่งสงครามนี้ตลอดเวลาดวงจิตนี้เป็นสมรภูมิให้ธรรมะและอธรรมเข้าทําการชิงชัยกันอยู่ไม่ได้ว่างเว้นเมื่อใดกองทัพอธรรมมีกําลังมากกองทัพธรรมก็ลาถอยอธรรมก็เข้ายึดคลองจิตใจเมื่อใดกองทัพธรรมมีกําลัง รุกรานให้อธรรมล่าถอยไปธรรมะก็เข้ายึดคลองสมัยใดอธรรมเข้ายึดคลองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความมืดมัวและวุ่นวายสมัยใดธรรมะเข้ายึดคลองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความสงบและจํมใสราชกุมารสําหรับเรื่องแพ้และชนะในสงครามนั้นพระาศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ภูรักการแพ้และการชนะเสียได้ย่อมอยู่อย่างสงบสุขราชกุมารไม่มีผู้ชนะในสงครามใดๆเลยที่จะประเสริฐไปกว่าผู้ชนะตนเองพระาศาสดาของข้าพเจ้าตรัสได้ ว, ว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามเมื่อชนะตนได้แล้วสงครามที่ยืดเยื้อก็สิ้นสุดลงชีวิตในปฐมวัยของข้าพเจ้านั้น เจ้าชายตตุรงค์ผลทรงเล่าต่อไปเป็นชีวิตที่เหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้ได้รับการทะนุถนอมประคับประคองอย่างดียิ่งข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในวงล้อมแห่งความสุขสะดวกสบายอย่างที่ราชกุมารผู้ถือกําเนิดภายใต้สเวตตะชัดจะพึงได้รับข้าพเจ้ามีเครื่องแต่งกายซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามมีผ้าโพกซึ่งทําจากแหวนกาสีสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบมากก็คือปิ่นปักเจสา เป็นเครื่องประดับที่ใครๆมองด้วยความนิยมชมชื่นข้าพเจ้ามีป่นปักผมลายแบบหลายชนิดและทำด้วยทองคำทางนั้นและมีป่นปักผมนี้เองที่เป็นสาเหตุอันหนึ่งให้ข้าพเจ้าพอใจพำนักอยู่ณที่นี้ ในฮัสตินาปุรนครของข้าพเจ้านั้นมีช่างทองตระกูลหนึ่งได้ทําทองมาหลายชั่วอายุคนเข้าชานาญมากพระประยุรญาติของข้าพเจ้าเมื่อต้องการทําทองเป็นเครื่องประดับก็ทําที่นี่ทั้งนั้นแม้ข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันมหาดเล็กคนสนิทของข้าพเจ้าไปร้านทองกลับมาเขาก็จะนําเอาความงามแห่งทิดาของช่างทองติดปากมาด้วยเสมอจนบางครั้งข้าพเจ้าเบื่อหูไม่อยากฟัง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 ทิดาช่างทองจะงามอย่างที่มหาเล็กกล่าวถึงข้าพเจ้าดูหมิ่นแววตาของมหาเล็กสตรีซึ่งนับเนื่องในราชวงศ์ก็มีอยู่มากหลายทิดาแห่งเสนาบดีอมหา ร, ราชบริพารก็มีไม่น้อยล้วนแต่สวยงามอยู่ในวัยที่พึงชมแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจกับสตรีคนใดเลยข้าพเจ้าแม้จะเป็นราชกุมารก็เหมือนเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปคืออยากพบอยากเห็นสิ่งที่เราลือกันว่าสวยงามดังนั้นวันหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงปลอมตัวออกไปกับมหาดเล็กไปที่บ้านช่างทองนอกจากอยากจะดูทิดาช่างทองให้เห็นกับตาตนเองเพื่อมหาดเล็กจะได้ไม่พูดใส่หูอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้ายากดูมากกว่าก็คือเป็นปักผมอันใหม่ซึ่งสั่งทําพิเศษว่าเขาทํากันไปถึงไหนแล้วบ้านช่างทองมีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านสองชั้นบริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อยมีเครื่องประดับตกแต่งพอ ง, งามตา ทุกครั้งที่มหาดเล็กของข้าพเจ้าไปเขาจะต้อนรับที่ห้องรับแขกและนําน้ํามาให้ดื่มวันนั้นก็คงเป็นเช่นเดียวกันและเป็นเรื่องที่บังเอิญโดยแท้หญิงรับใช้ไปตลาดยังไม่กลับทิดาช่างทองจึงนําน้ามาเองพอนางเดินมาเท่านั้นท่านเอย๋ยข้าพเจ้าถึงกับตะลึงพลึงเพลดิดมหาดเล็กทําสัญญาณตามที่นัดหมายกันไว้เป็นเชิงบอกให้รู้ว่าคนนี้คือทิดาในช่างทองคนสวยละ่ะ นางเป็นคนสวยจริงๆสวยอย่างที่สตรีในวังของข้าพเจ้าจะเทียบไม่ได้เลยเหมือนกับว่านางได้เก็บเอาความงามของสตรีมากมายมารวมอยู่ที่เธอเพียงคนเดียว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 ทา้งหวานหวานข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเสียงโนกาละเวกเคยได้ยินเข้าชมกันว่าไพเราะจริอองนักถ้าเสียงของมันไพเราะเพียงครึ่งหนึ่งของเสียงเธอผู้นี้ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าไพเราะจริงลำแขนอ่อนช้อยเหมือนงวงช้างเมื่ อ, อย่างกลายอาการของเธอเหมือนเนื้อสาวเมื่อเธอมองอย่างละอายก็เสมือนเนื้อทรายที่ตื่นพลยเครื่องแต่งกายของเธองามชดช่วงปลิวสะบัด ต, ตังสายฟ้าแลบในอากาศ เมื่อเธอย่างเข้ามาในห้องกลิ่นหอมอบอวลตามเข้ามาประดุดเธอนาำเอาป่าซึ่งมีดอกไม้บานในฤดูร้อนตามเข้ามาด้วยมองดูนิ้วของเธอเมื่อวางภาชนะน้ําลงข้าพเจ้าก็ต้องซาบซ่านใจเพราะนิ้วของเธอนั้นเรียวงามวิจิตเล็บสีชมพูอ่อนข้าพเจ้ามิได้สนใจกับภาชนะน้ําเลยความสนใจทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่ร่างธิดาช่างทองผู้เชิดชาย โทษ ด, ด้วยที่ปล่อยท่านนั่งอยู่นานไปหน่อยคําแรกที่นางพูดยิ้มละไมหน้าระรื่นมองเห็นลักยิ้มบุ๋มที่พวงแก้มทั้งสองพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักเกษาส่งพระสัมมาสมพุทธดีอยู่หรือพระองค์จะทรงต้องการเร็วไหมนางพูดกับมหาเล็กของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งตัวแข็งเหมือนรูปศิลาขอบใจแทนพระราชกุมารมหาเล็กกล่าวตอบ พระองค์ทรงพระสําราญดีปินปักเจสาไม่ทรงเรียบร้อนนักขอให้ท่านและบิดาของท่านทำตามสบายขอแต่ให้ประนีตที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ขอแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนของข้าพเจ้าเสก่อนแล้วมหัาเถร ก, ก็หันมาตาังข้าพเจ้าพร้อมได้พูดว่านี่คือสุระนันทะเพื่อนของข้าพเจ้าบางทีในโอกาสต่อไปข้าพเจ้าติดธุระมาไม่ได้เพื่อนคนนี้คงจะมาแทน มหาดเล็กพูดแล้วก็ยิ้มอย่างชอบใจนางพนมมือไหว้ข้าพเจ้าเกลือปลื้มไหว้ตอบพระโมทไทมองนางอย่างเพลิดเพลินข้าพเจ้าสนทนากับนางไม่สู้จะสนิทนักพอรู้สึกละอายใจตนเองที่มองนางอย่างลืมตัวถึงกระนั้นก็พอเป็นแนวทางสําหรับในวันหน้าได้นางลุกไปเอาปินปักผมซึ่งทําไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วมาให้ดูปินปักผมเป็นที่สนใจของข้าพเจ้าเป็นที่สุดข้าพเจ้าบอกเธอแล้วว่า ข้าพเจ้าชอบสั่งให้ทำปิ่นปักผมแบบแปลกๆแต่ความสนใจในปิ่นปักผมทั้งหมดรวมกันก็ยังไม่ได้ครึ่งแห่งความสนใจที่ข้าพเจ้ามีต่อนางงามผู้ทำปิ่นคนนั้นท่านทำปิ่นปักผมได้สวยงามเพราะราชกุมารคงจะพอพระทยัยข้าพเจ้าพูดเมื่อพลิกดูปิ่นอยู่ครู่หนึ่งนางยิ้มอย่างเอียงอายแต่มันมีความหมายบาดลึกลงไปในหัวใจของข้าพเจ้าถ้าความรักมาแรกพบนั้นมีจริง ข้าพเจ้าก็รักนางแล้วเมื่อแรกเห็นจะเป็นการเร็วเกินไปไหมท่านพี่จะกล่าวดังนี้ถ้าความรักทำให้คนกรนกระวายบัดนี้ข้าพเจ้าก็กรนกระวายแล้วถ้าความรักทำให้คนซึมเศร้าข้าพเจ้าก็ซึมเศร้าแล้วถ้าความรักทำให้คนลืมอะไรๆง่ายๆนอกจากอย่างเดียวที่เขาไม่ลืมคือดวงหน้าและกิริยาภาธีของคนที่รักบัดนี้ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้จะาพิเสธว่าข้าพเจ้าไม่ได้รักนางได้ชะไหนดวงตาอันแจ่มแววของเธอได้สลักรอยรักไว้ในดวงใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลับด้วยความอลาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่งพร้อมด้วยผ้าเป็นความงามของธิดาช่างทองติดตาไปด้วยคืนนั้นข้าพเจ้านอนตื่นตาอยู่ตลอดเวลากระสับกระส่ายกระวนกระวายด้วยแรงรักเขารึงรันเพียงพบครั้งแรกเท่านั้นข้าพเจ้าก็ตกเป็นเหยื่อของอนุเทพแล้วอย่างยากที่จะถอน ท่านคงอยากทราบชื่อของนางบ้างกระมังนางชื่อวิมลมานผู้มีดวงใจไร้หมุนดินนางจ่าชื่อสมชื่อเสียจริงๆจะหาสิ่งที่ควรตำหนิไม่ได้เลยนามนี้วิมลมานในความรู้สึกของข้าพเจ้าช่างเป็นชื่อทีพายเราะอ่อนหวานเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงจิตยิ่งกว่าภาษากวีและดนตรีที่พายเราะทั้งหมดในโลกนี้รวมกัน